เส้นทางที่สร้างกันมามีเป้าหมายช่วยทุกคนที่ทุกใจในชีวิตมากมายเหนื่อยล้าลำบากกายเราก็พร้อมก้าวเดินช่วยทุกคนสุรัตนธาตุ ศรัทธาสุรัตนธรรมหัวใจไม่เคยออนไล้์แม้ฟ้ามืดมัวสักเท่าไรให้ใจของเราหยุดมันดูมตาเห็นธรรมช่วยรักษาให้คนพ้นภัยสุรัตนธรรมช่วยรักษาทั้งกายและใจ ไม่เลือกชนฉันใดโดยไม่วังอะไรตอบแทนด้วยพลังที่มีส่งถึงทุกคนให้รู้ไว้ว่ายังมีกันเสมอ หัวใจไม่เคยอ่อนล้าแม้ฟ้ารื้อหัวสักเท่าไรให้ใจของเราหยุดมันดวงตาเห็นทําช่วยรักษาให้คนผลนภัยสุรัตนาทําช่วยรักษาทางกายและใจ ศรัทธาสู่รัตนธรรมหัวาาใจไม่เคยอ่อนล้าแม้ฟ้ารือหัวสักเท่าไร เห็นทำช่วยรักษาให้คนพ้นภัยสุรัตนณรรมช่วยรักษาทั้งกายและใจ